วันนี้เป็นวันที่ส0สบกรกฎาคมพุทธศักราช2558วันนี้เป็นที่ทราบกันตั้งแต่เมื่อเช้าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติจมมาจากจาตุรทิศมาสู่วัดของเราและก็คงจะไปวัดอื่นๆทั่วประเทศเพราะวันเป็นเป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา เป็นวันอาสารหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าโปรดปันเจวคีทั้งห้าแล้วก็พระปันเจวคีทั้งห้าได้แสดงความเคารพเรื่อมใสนับถือและก็ยอมบวชในพระพุทธศาสนาในเมื่อได้รับพระโอวาท ประทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความอาพอใจแล้มีความยินดีแล้วก็ได้บรรลุธรรมขั้นต้นคือพระโสดาบันจากนั้นท่านก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาคือวันนี้เพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันครบพระไตราสารณคมคือมีผู้บวช มีผู้เลื่อมใสในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันสําคัญยิ่งของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาพบได้มาบําเพ็ญในวันนี้ปีนี้เป็นปี2558เพราะฉะนั้นพวกเราได้มาพบแล้วก็ได้มาบําเพ็ญ คุณงามความดีมามบำเพ็ญกุศลในวันสำคัญและก็พร้อมกันพวกเราก็ได้เตรียมพร้อมเตรียมใจว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาการเข้าพรรษาของพระสงฆ์คือปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่ง ทำไมพระสงฆ์จึงเข้าพรรษาเป็นมาอย่างไรอันนี้ก็คือความเป็นมาของพรรษาก็คือพระสงฆ์พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนามีคนนับถือเลื่อมใสมากแล้วก็มีคนออกบวชมากในเมื่อออกบวชแล้วก็ต่างคนก็ต่างจับกลุ่มกันออกปรีกวิเวก ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าคือท่านม่ให้อยู่เป็นหมู่เป็นคณะมากเกินไปแล้วก็ต่างโอนต่างปลีกวิเวกสุดแท้แต่ <c oughs> กลุ่มไหนจะไปภากน้อยแค่ไหนบางทีก็เป็นกลุ่มใหญ่ไปถึง4ี0 0ก็มีเป็นพันก็มเีเที่ยวออกปลีกวิเวกแต่พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมของเขาเขาก็ปลูก พวกฟักแวงแตงกวาปลูกข้าวปลูกผละกละหมกรากไม้หน้าฝนแต่พระสงฆ์คงจะเป็นพระชาวเมืองคงไม่รู้จักว่าจะปลีกไปยังไงจะเว้นไปยังไงก็ททำให้เหยียบวัชพืชของเขาเสียหายเขาทั้งหลายก็บ่นว่าว่าส ม, มณะสากยะบุตร เที่ยวไปทางแรงทางฝนไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นพอถึงหน้าฝนเขาก็อยู่เป็นที่เป็นทางกันัดสัตว์สาลาสิงกรอกกระแตเขาก็ยังมีโรงรังหลบฝนแต่ภิกษุส ม, มณาสักยบุี่เที่ยวทางแรงทางฝนเขาบ่นว่าให้พระนะแต่คำบ่นว่าของเขาก็มีเหตุผลจากนั้นพระสงฆ์ผู้ เป็นผู้ใหญ่ก็ได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ได้เรียกพระสงฆ์มาทั้งหมดมากับประชุมกันแล้วก็บัญญัติวินัยว่าพระสงฆ์ต้องจำพรรษาไม่เมื่อเข้าพรรษาเดือน8เพนเดือนเดือนแเพนทุกปีพระสงฆ์ต้องเข้าพรรษาจําพรรษาพวกเขาหน้าฝนแล้วก็ไปออกพรรษาเดือน11เอ็ดเพสเดือน แต่และดูฝนมีอยู่4เดือนเดือน12ถึงเดือน12เพนเป็นหมดเขตและดูฝนแต่ให้จำพรรษาเพียงเดือน11เพ็พนเกเดือนสุดท้ายให้แสวงหาผ้าคือพระภิกษุสงฆ์สมัยนั้นผ้าก็าหายากท่านให้แสวงหาผ้าอ่ในอีกหนึ่งเดือนจะน่้น ถ้าสงสัยจาพรษาถ้าองค์ในไม่จำพรรษาปรับอบัตทุกกฎถ้ามีความจำเป็นในพรรษาให้สัตตาหกรณียะ ว, ว่าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยศรัทธายาจมนิมนผู้อุปถมประทากนิมนหรือภิกษุสมมาเนเจ็บไข้ได้ป่วยจาเป็นจะต้องไปดูแล ร, รักษาอย่างนี้เป็นต้นก็มีหลายหลายอย่างในกฎกติกาแต่ว่า สมัยนั้นท่านคงไม่มีไม่มีโรงพยาบาลไม่มีไม่ยกเว้นว่าภิกษุป่วยให้สัตตาหะไปรักษาได้อันนี้ไม่มีแปลกเหมือนกันนะอแปลกเหมือนกันให้สัตยาหะไปรักษาตัวเองแต่ภิกษุในครั้งพวกเราเราก็บอกว่าไหนเมื่อภิกษุองค์ใดป่วย เราก็ให้คณะัตธาญาติโยมอุปถรัรมปฐาวัดกา ร, ราบปราลนานิมนต์ท่านไปรักษาตัวกับนิมนต์พระองค์นั้นก็รับนิมนต์ก็เป็นการเลี่ยงบาลีลักษณะหนึ่งแต่ก็ไม่เลี่ยงเพราะนิมนต์จริงๆ <c oughs> อันนี้ก็ไปรับนิมนต์เพื่อไปรักษาสุขภาพอันนี้ก็คือเราต้องรู้จักวินัย อันนี้เราคิดว่าสัตหะกรณิยะสัตหะไปได้เจวันถ้าบวชเข้ามาถ้าหากว่าจำพรรษาสามเดือนแล้ว เ, เรียกว่าจำพรรษาแล้วไปที่ไหนไม่ได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะอันนี้พาวินัยของพระพุทธเจ้ามีการยืดหยุ่นมีเหตุมีผลในการบริหารการดูแลพระสงฆ์อันนี้ก็ให้พวกเราเข้าใจเอาไว้แต่ในพรรษาทีนี้ แต่ละวัดไม่เหมือนกันแต่หลุกลวงพ่อเนี่ยยึดตามแนวแถวปฏิปทาขององค์หลวงตาหลวงตามหาบัวท่านบอกว่าในพรรษาคือตามปกติพระทุรงกรรมฐานขวัตทุรงกรรมฐานไปว่าถือทุรงขวัตทุรงม่อยู่13บข้อบินธบาีเป็นวัดฉันมือเดียวเป็นวัดนั่งอาชนะเดียวฉันเป็นวัด อยู่ป่าช้าเป็นวัดอยู่ที่แจ้งอะไรลักษณะอย่างงั้นแหละจุดถือผ้าไตราสามพื้นแต่มีข้อหนึ่งที่ว่าไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังไม่รับอาหารที่ตรงที่ส่งมาภายหลังอันนี้หลวงตามหาบัวท่านถือมาตั้งแต่ท่านออกมาปฏิบัติกับหลวงปู่มั่นเพราะนั้นท่านจึงพาถือว่ารับบิณฑบาตนอกวัด พอเข้ามาถึงวัดแล้วท่านจะไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังแต่สรุปแล้วก็คือศิกขาบทนี้เราว่าทุรงข้อนี้ให้เป็นผู้มักน้อยสั้นโดดให้มีอาหารน้อยแต่พอเอาเข้าจริงนะมันไม่ใช่น้อยอย่างที่อย่างที่เราเราท่านท่านได้เห็นอาหารที่ไม่ส่งมาตามภายหลังก็จริงอยู่แต่ใส่บาตรนอกวัดก็เป็นอาหารขององค์นั้น นั่นนะก็กเป็นอาหารอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอันนี้ก็คือที่เราถือมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดาเนินมาแล้วก็คงคิดว่าคงไม่ผิดเราก็พยายามเดินตามแนวแถวปฏิปทาของท่านพาดาเนินมาดันพวกเราจึงได้เดินตามแนวแถวแต่อย่างอื่นแล้วก็ฉันมือเดียวอยู่แล้ว ฉันฉันอาชนะเดียวอยู่แล้ว เ, เราก็ไม่ได้ฉันพร่มเพื่อไม่ได้ฉัน เ, เราก็ถือทุดงาตามที่แนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินมานี่แหละอันนี้ก็คือเราจะต้องตั้งแต่วันพุ่งนี้แหละเป็นต้นไปวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแต่วันพุ่งนี้เป็นวันเข้าพรรษา แต่จะเป็นวันเข้าพรรษาพวกเราก็ยังไม่ถือธุดงทีเดียวแต่วันพุ่งนี้ให้เตรียมพร้อมใส่บาตรเริ่มใส่บาตรละวันพุ่งนี้แต่เรายังไม่ถือธุดงนะเป็นการจะดตั้งเครื่องหรือว่าการเตรียมพร้อมแต่วันนั่นแหะวันเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษาเสร็จเรียบร้อยแล้ววันต่อไปน่ะคงจะเป็นวันที่สองนั่นแหะอ่าเป็นวันเอาจริงจังนล้วทีเราจะ ไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังแต่วันพุ่งนี้เพียงแต่ว่าเราเตรียมพร้อมเราจะตัดเครื่องเพราะนั้นขอฝากบอกกล่าวไปถึงคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนผู้ที่จะมาใส่บาตรก็ให้มาใส่บาตรนอกวัดแต่ถึงยังไงก็ไม่ต้องหนักใจไม่ต้องให้ไม่สัตยา ญ, ญาติโยมจะใส่บาตรทั้งผ้าถึงเออ 4 0กว่า40 50องค์นะอมันก็ไม่มีกำลังที่จะทำขนาดนั้นพวกเราจะใส่ยังไงอจะใส่ปลายแถวปไปหางปลายหางเลยก็ได้แต่ถึงยังไงหลวงพ่อเองอาหารในวัดของเราหลวงพ่อก็บอกกล่าวให้ทางในครัวของเราช่วยช่วยกันดูนะ้าอแต่สำหรับหลวงพ่อเองถึงยังไงเป็นหัวหน้าอา่ก็มากมายอยู่แล้วแหละอขอให้ดูดูให้ทั่วถึง พระแต่ที่ผ่านผ่านมาที่ผ่านผ่านมาทุกปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีปัญหาอาหารของเราก็เป็นไปได้ถ้าจะเปรียบเทียบกับสมัยเก่าแก่ก่อนก็สมัยนี้ก็รู้สึกว่าท่วมท้นเหลือเฟือฟุ่งเฟือ่อยมากเกินไปสำหรับพระกรรมฐานพูดอย่างนั้นก็นไม่น่าจะผิดแต่ถึงยังไง กัเป็นของเป็นคณะสัตยาญาติโยมเป็นผู้อยากจะได้บุญเป็นผู้มาทําบุญเป็นเสียสละในการทําบุญเอื้อเฟื้อเอื้ออารี่ทางฝ่ายพระสงฆ์ก็เป็นผู้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกคณะสัตยาญาติโยมก็ทําตามหน้าที่ในการเสียสละทําบุญอ สำบุญทำทานสังสมบมัลมีสังสมบูญ์กุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของแต่ละท่านแต่ละคนสรุปสรุปแล้วก็คือทําหน้าที่ของแต่ละหน้าที่คณะสัตายาติโจงก็ทําทหน้าที่ฝ่ายพระสงฆ์กับทาหน้าที่อันนี้แหละอันนี้ถึงอย่างไงก็เมื่อได้ทําหน้าที่ของใครของเราแล้วบุญกุศลที่พวกเราได้ก็เป็นบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราเป็นของใครของเรา ของฝ่ายพระสงฆ์ก็คือฝ่ายพระสงฆ์ฝ่ายฆราวาสญาติโยมก็คือฝ่ายฆราวาสญาติโยมเพราะนั้นน ะ, ะเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตธาญาติโยมทุกๆุกท่านนะสรุปแล้วก็คือไม่ต้องหนักใจในการเป็นอยู่ระหว่าการทำบุญทำทานทําตามกําลังศรัทธาของเรานั่นแหละเท่าไรก็เท่านั้นพระสงฆ์คิดว่าพวกเราดูแลกันเอง มันเป็นยังไงเราก็จะต้องปรับปรุงแก้ไขกันเองไม่มีปัญหาถ้าาว่ามันมีอะไรพวกพระทั้งหลายก็ช่วยๆกันดูถ้าหลวงพ่อมองไม่เห็นกับพวกพี่ๆน้องๆทั้งหลายอยู่ด้วยกันให้มีการให้ดูกันเฉลือเพื่อแพร่กันเพราะว่าเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญสัพเพสัตตาอาหารฤทธิการ菩พรสัตทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหาร แต่ถึงยังไงก็ขอให้ฝ่ายฝากฝ่ายในครัวให้ช่วยช่วยกันดูเป็นหูเป็นตานี่นแหละหลวงพ่อไม่ได้ว่ามีแต่ความพยายามหรือว่าบอกแนะนำให้ทั่วถึงให้เป็นธรรมสำหรับพระลูกพระหลานทุกองค์ตลอดพี่น้องประชาชนที่มาเกี่ยวข้องทุกคนให้ดูแลกันอาหารการบริโภคอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้ามันขาดตกบกพร่องตรงไหนอย่างไรก็บอก บอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อในฐานะที่เป็นหัวหน้านี่แหละอันนี้ก็คือการเป็นอยู่การเป็นอยู่ด้วยกันการอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นหมู่เป็นกลุ่มก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอันนี้ระหวัดถ้าจะว่าเป็นปัจใจสีก็ใช่หรือว่าเป็นวินัยหรือเป็นศีลก็ใช่ที่หลวงพ่อพูดไว้ว่างนะ เป็นศีลเป็นข้อบัญญัติทั้งนั้นถ้าเราศึกษาไปแล้วมันเข้ากับชิกคาบทไหนในศีลของพระในศีลของพระของเนนมีในนั้นแต่ถึงยังไรเรื่องนั้นเป็นเรื่องนอกๆพูดอย่างกันได้ทำไมจึงพูดนอกเพราะมันเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการเรื่องของกายแต่เราไม่ได้มุ่งหวังเพียงแค่นั้นนั้น ที่เราเข้ามาบวดเหมือนกับเราไปเรียนหนังสือไม่ใช่ว่าเราไปถึงโรงเรียนแล้วก็เข้าห้องเรียนก็อยู่เพียงแค่นั้นให้คนเห็นว่าเราไปเรียนไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเราต้องไปศึกษากับครูแล้วจะเรียนวิชาอะไรกับครูครูให้วิชาจากนั้นเราก็เรียนวิชาจากครูบาอาจารย์จากตําราที่ที่เราต้องการเรียน เราก็ได้วิชาในการเรียนนั้นนัน้นี่ก็เหมือนกันเราก็ามาบวชในพระพุทธศาสนาอันนั้นคือการเป็นอยู่อยู่ป่าบังอยู่กุฏิองค์เดียวบังเดินจงกรมบังนั่งภาวนาบังชั้นมือเดียวบังอดนอนบังพรอนอาหารบังอันนั้นก็คือวิเป็นแนวทางสําหรับพระแต่จุดมุ่งหวังจุดมุ่งมั่นมุ่งหวังจริงๆของ พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรอันนั้นเราต้องมองมองบอรมมครูนะบรมมครูคือพระพุทธเจ้าที่ท่านหนีออกไปบวชนะท่านบำเพ็ญที่ตั้งหกปีนะ่ะนะแต่วันสุดท้ายนะที่วันได้ตัดสู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านทำอย่างไรนะ่ะท่านยกย่องจุดนั้นนะเป็นจุดเด่นเอเป็นจุดที่ว่าโดดเด่นที่สุดคือสำเร็จ สมความมุ่งมา่นปราถน า, เ, าเป็นจุดที่ดกตัวนั้นเป็นประกาศเป็นพระธรรมคำสอนออกมาคือนั้นละ่ะวันเดือนหกเผ่นท่านทำอย่างไรท่านนั่งสมาธิเหมือนกับพระประธานอย่างพวกเราท่านทั้งเห็นพระประธานนั่งต่อหน้าพวกเราขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรง ดำรงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกพะไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นนึ่งเกิดยานัทตนะเกิดฌานขึ้นมาเยาวาปุพเพเนวาสานุสติสานุสติยานล้ลึกล้ำลึกชาติห้นหลังได้ฮะอันนี้แหละเบื้องต้นจากนั้นพวกเราเข้ามาบวชในคราวนี้แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็สอน ออสอนครูบาอาจารย์อย่างสอนหลวงหลวงพ่อมาเหลวงพ่อก็เข้าไปศึกษากับองค์หลวงปูล่ลาหลวงตาครูบาอาจารย์ไปฟังธรรมเทศนาหรือได้ศึกษาธรรมลิกขิดประวัติของแต่ละองค์หลวงพ่อก็ได้มาประมวลมาเอานำมาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติได้ผลอย่างไร หลวงพ่อก็ได้นำทาคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนมาบอกกล่าวต่อให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ได้ฟังอีกแต่หลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงพ่อนํามานั้นไม่ผิด เ, เพราะงยังไงก็ยังมีตำรับตำรายังมีพระธรรมคาสอนอยู่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าได้ฟังคาธรรมเทศนาหรือบทธรรมฟังคาพูดของหลวงพ่อแล้ว ให้พวกเราให้ศึกษาดูอีกว่าหลวงพ่อของเราเนี่ยพูดชึกแนะนําสั่งสอนพวกเราเนี่ยถูกต้องไหมไอันนี้ให้พวกเราต่อไปภายภาคหน้ามันมีเวลาให้ศึกษาแต่หลวงพ่อเนี่ยมั่นใจจึงได้นํำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแนะนําบอกกล่าวพระลูกพระหลานตลอดถึงพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมทุกหมู่ทุกเหล่า ท่านสอนอย่างไงทุกองค์ท่านก็บอกว่าให้นั่งสมาธิแต่ท่านไม่ไม่ได้สอนละเอียดเหมือนหลวงพ่อนะหลวงพ่อเนะี่ยคล้ายๆกับว่าเ ม, เมื่อเป็นเด็กมาเป็นเด็กน้อยขึ้นมาครูบาอาจารย์ท่านก็สอนสอนแบบสอนเด็กอแต่ครูบาอาจารย์ต่อมาในท่านสอนผู้ใหญ่สอนศรัทธาญาติโยมสอนผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วท่านก็พูดแบบไม่ชัดเจนเให้นั่งภาวนานะ กำหนดลมหายใจเข้าออกนะเอ่อแล้วก็ท่านก็พูดเอาเท่านั้นแต่ทีน่นี้บางคนก็ไม่รู้จะทํำยังไงนั่งภาวนานะกาหนดลมหายใจเข้าออกนะเออหลวงพ่ออืน่าจะอธิบายให้ละเอียดเออลงไปอีกว่าเวลาเราจะนั่งภาวนาสมมุติว่านี่ละ่ะเออในพรรษานี้ล่ล่ะเออวันพุ่งนี่ละ่ะเป็นต้นไป เราจะอยู่นักสถานที่ใดผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อยอยู่ในรั่วโลกไหนอยู่ในประเทศไหนที่เป็นรู้ภาษาที่หลวงพ่อพูดไปให้ปฏิบัติตามที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อแนะนำผมไม่ผิดาตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแต่หลวงจาาอื่นหลวงพ่อไม่ได้นำมาแนะนาสั่งสอน พระลูกพระหลานคณะสัตธาญาติโยมนะเพราะว่าเราเรียนสายไหนได้รับผลอย่างไรเราก็นำปฏิปทาหรือแนวความคิดที่จะแนะนำสั่งสอนนั้นนะมาบอกกล่าวให้กับคณะสัตธาญาติโยมได้เรียนรู้รับทราบและก็ปฏิบัติอย่างที่พงษหลวงพ่อเ ค, เคยเปรียบเทียบท่านหลวงพ่อเรียนมาทางเกษตรหลวงพ่อจะไปสอนกฎหมายได้ยังไงและไปสอน ขณิตศาสตร์ได้ยังไงเพราะเราเรียนมาทางเกษตรในการปลูกการฝังแล้วก็สอนวิธีการเกษตรเพราะนั้นเราเรียนมาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเราจะไปเรียนสอนสายอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจึงสอนแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนอยังไงสมร t และวิปัชนาในการเดินสมสถะทาจิตใจให้สงบท่านทํำยังไงวิปัชนาท่านทํำยังไงอันนี้ท่านก็มีแนวแถวของท่านมีคําถามมีคําตอบทุกคําถามเรามั่นใจว่าใครถามเรื่องอะไรในทำในทำคำสอนของหลวงปู่มั่นท่านให้คําตอบได้หมดปฏิบัติอย่างงุ้นเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนั้นเป็นยังไง ท่านก็ให้คําตอบได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราคณะจตทาญาติโยมพระเนนลูกหลานทุกองอปฏิบัติตามที่แนวแถวของหลวงปู่มั่นอย่างที่ว่านแะต่ท่านทํำยังไง่ยนะพ่อก็ยกตัวอย่างหลวงพ่อนะให้เป็นตัวอย่างเพราะหลวงพ่อจะยกตัวอย่างคนใครอื่นลงก่อพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านทํำยังไงท่านสอนยังไงแต่สําหรับหลวงพ่อเนี่ยหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านสอนแต่สมัยเป็นเด็กเนะี่ยท่านบอกว่า ก่อนเข้ามาอยู่วัดก่อนที่จะหลับนอนที่นอนของตนเองนะ่ะปูเสื่อศาสตร์หมอนให้เรียบร้อยจากนั้นก็ขึ้นไปแล้วก็กราบกราบบนหมอนนั่นแหละละหานไปกราบไปทางแสนสันศีรษะไปทางทางที่นอนนะะั่น่ะไปยกมือแล้วอลาหังสวากาโตมีพระพุทธ ร, รูปไหมไม่มี เออพระพุทธลูปพระคุณของพระพุทธเจ้ามีทุกแห่งหนเราระลึกพระคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราเราระลึกถึงพระคุณพุทธพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจรลลพร ะ, ะสงฆ์อยู่ในใจเราระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตในใจของพวกเราเรียกว่าอารหังสวากาโตสุปฏิปนโนอ่จากนั้นก่อนเนี่ย เสร็จแล้วก็นโมตัสสะไหว้พระสัก่อนสุดแท้แต่เราจะไหว้ได้มากน้อยอแต่ตามไม่จริงในช่วงที่เรามีเวลาอย่างนั้นเราจะไม่ไหว้มากนะไหว้เย่อะจากนั้นก็แผ่เมตตาข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นจงเป็นสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนากันไอคำนี้ให้เป็นออกมาให้ออกมาจากใจจริงฮ คำแผลเมตตาเนี่ยไม่ใช่จะพูดออกแต่ริมฝีปากเท่านั้นออกมาจากใจจริงนึกในใจซะก่อนให้ออกมาจากใจจริงเสร็จแล้วก็กราบเสร็จแล้วก็นั่งขัดสมาธิอย่างพระประธานอย่างที่หลวงพ่อพูดเนี่ยน ะ, อะพอนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นปน ม, มือซะก่อนปน ม, มือขึ้นระหว่างอกซะก่อนนะอันนี้ก็คือหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าท่านสอนนะ คือปนมมือขึ้นระหว่างอกนี่ก็คือให้ไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนเพราะการภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของผู้ใดใครผู้หนึง่งเป็นผู้แนะนําสั่งสอนเป็นพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้นั่งสมาธิเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนั่งสมาธิจึงไหว้ครูซะก่อนคือไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซะก่อนจากนั้นเราก็ปนมมือขึ้นระหว่างอกพุทโธ ธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นก็เอามือลงในเมื่อเมื่อเอามือลงแล้วก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุทธโธถ้ามันเผลอไปดึงกลับคืนมาให้มันอยู่กับพุทโทอยู่ที่ปลายจมกูก มันเพลอไปกลับมาอีกดึงไว้พุทธโธให้ตั้งสติให้เข้มแข็ง ข, ขึ้นเรื่อยๆนะอพอถึงจุดเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวเองมีความพยายามมีความมุ่ง ม, มั่นมีความตั้งใจอยู่ใจมัน ก, ก็คล้ายๆว่าเข้ามารวมรวมเข้ามาเป็นจุดจนใจเน่งจับเอาสติจับจิตอยู่เน่งเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอนะไรนเน่งจิต รวมเจิตไม่ฟุ้งไม่ซ่านจิตไม่ทะเลถลายไดๆจิตไม่ไปออกไปข้างนอกพอมีความพยายามเรามีความตั้งใจเราเดินจงกรมกับขาขวาพุทขาซ้ายโทเวลาเรานั่งกับกําหนดลมหายใจเข้าพุทออกโทในทุกอริยบทอะไเพราะเรามาภาวนาให้อยู่ในพุโทโธทุกอริยบทอย่าให้เผลอจากนั้นใจของเราเมื่อนั่งสมาธิใจของเราจะรวม รวมสงบลงเป็นมันไม่ใช่รวมสงบลงไปถึงบางคนกับรวมจริงๆนะรวมโอบลงเหมือนตกแขวตกบ่อก็มีแต่บางคนก็เพียงแต่เสียดสิวเข้ามาให้เขาว่ารวมชั่วขณะหนึ่งพอจิตใจรวมว่าบเย็นมีความเย็นในจิตในใจชั่วขณะหนึ่งอันนี้ก็เป็นจิตใจรวมเหมือนกันเรียก ว, ว่าคณิกะสมาธิ จิต ท, ที่รวมเป็นเป็นชั่วคู่ชั่วขณะอันนี้ว่าคณิกะสมาธิพอต่อมาที่เราพยายามมีความตั้งใจมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นกำหนดดูใจของตัวเองอยู่ดูพยายามดูจับดูใจของตัวเองใจของเราก็ไม่ไม่ทะเลถลายเท่าะสติควบคุมจิตสติควบคุมตัวผู้รู้คือใจตรงนั้นอยู่ในอำนาจของสติอยู่ ใจของเรานึกอคิดอะไรใจเรารู้แก่ใจของเราว่าเดี๋ยวนี้เรานึกคิดเรื่องอะไรสติควบคุมจิตอันนี้แล้ว่าเข้าขั้นอุปจารสมาธิใครเข้าว่าจิตยังไปอยู่ยังรู้ได้อยู่ยังรับรู้รับทราบเรื่องต่างๆได้อยู่แต่ก็อยู่ในอำนาจของสติอันนี้เลยว่าอุปจาระแต่จากนั้นพอเรากำหนดดู ดูใจของเราไม่ให้มันพิจารณาเนี่ยดูใจกำหนดดูใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกดูมันจะรวมลงไปอีกนะข่าวนี่รวมขาวนี่จะเป็นรวมลึกรวมใหญ่เลยถนะึอรวมลงไปขาวนี่มันจะไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้สักไม่เห็นกายเลยนะเราไม่เห็นกายความรู้สึกทางหูก็ไม่ได้ยินร่างกายก็หายไปเลยถนะึมีแต่สติกับจิต จิตกับสติเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน <c oughs> เน่งมีสติกับจิตสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นจิตเป็นอนสติเป็นอันนั้นนี่คืออัปปนาสมาธิเมื่อจิตรวมถึงขนาดนั้นเลยทเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายของเรากับใจของเราเนี่ยมันเป็นคนละสัดละส่วนกันจริงๆเลยทนี่มันไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกัน เมื่อจิตรวมถึงขนาดนั้นแล้วมันชัดเจนในความรู้สึกเสียงฟ้าร้องเสียงรถเสียงไรเสียงคนแล้ไม่ได้สนใจแล้วไม่มีเพราะมันมีร่างกายมันจะมีหูได้ยังไงใช่แมันมันเป็นเอกเทศเป็นมันไปเอกมิติหนึ่งจิตรวมขนาดนั้นน่ะจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตที่มันรวมขนาดแล้วมันได้นานไหมบางคนก็ได้นานนะแต่บางคนก็ไม่นานสี่ห้านาทีสิบนาทียี่สบนาที บางคนก็เป็นชั่วโมงเหมือนกันนะจะให้อยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ถ้าชำนาญแล้วนะจากนั้นก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาก็เป็นอุปจาระตอนนั้นก็เป็นคณนิกะ เ, เป็นจิตธรรมดานี่แหละแต่ถึงยังไงก็ตามเมื่อเราจิตทาจิตให้สงบเป็นหนึ่งแล้วนะ เ, เราจะมีความสุขยาวนานทีเดียวเลยทีนี้มันไม่ลืมเลยเ ถ้ามันสงบเป็นครั้งแรกเน่ยขนาดเป็นอาทิตย์เนี่ยมันยังมีความสุขในจิตในใจจิตใจมันรู้สึกวม่มมันชุ่มชื่นเบิกบานมันมีความสุขลึกๆอยู่ในจิตใจของเราเจิตใจไม่หิวไม่หวยไม่กวนไม่กวายจิตใจของเรามันมีความสุขสมกับพระธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านาิสันติปรังสุขขัง ความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบจิตใจสงบไม่มีเพราะมันสงบจากกิเลสราคะโทสะโมหะมันเป็นเอกเทศกิเลสราคะโทสะไม่ได้เข้ามาครอบงำครอบครองมันใจเป็นมิติหนึ่งเป็นใจเป็นอีกส่วนหนึ่งนี่แหละ อ, อันนี้คือว่าจิตที่เป็นอัปปนาสมาธิจิตเพียงแค่นี้แหละสงบเพียงแค่นี้แหละยังไม่ได้มักได้ผลนะ ยังไม่ได้เป็นพระโสดาสกทาอาณาคาอะไรหรอกจิตเพียงสงบเพียงแค่นี้เนะี่ะก็รู้เลยแล้วว่าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วสูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนมั่นใจเลยเถะเพราะอะไรเพราะมันเห็นใจกับกายกายกับใจมันเป็นคนละอันกันในเมื่อร่างกายมันแตกตายสลายตายลงไปในเนี่ยใจดวงนี้มันก็ต้องออกจากร่างต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิต่างๆไปเกิดในที่ต่างๆได้ เออที่พระพุทธเจ้าว่า อ, อใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจตัวนี้เองเนา่านะมโนภุพังเขมรรม้มาทำมมามโนเสรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรวยใจแต่โลกทั้งโลกเออไม่รู้ว่าวิทยาศาสตร์แขนงไหนไม่รู้ว่าประเทศไหน เจริญแล้วขนาดไหนก็ตามเขาเห็นแต่ร่างกายเอามาพิสูจน์แต่ร่างกายแต่จิตใจนั้นไม่มีมีตลักของพระพุทธศาสนาเท่านั้นหละท่านจึงยกประเด็นหลักคือใจใจเป็นใหญ่เจ็ใจเป็นหัวหน้าพอเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องของเรื่องของร่างกายเรื่องของร่างกายเหมือนเหมือนกับรถท่านเองคนเข้าไปอยู่ในรถคนเป็นค น, คนขับรถ แต่คนเห็นแต่รถแต่คนขับนั่นเป็นนามะทำมองไม่เห็นเขาก็เลยเ ห, เห็นแต่รถเห็นแต่ร่างกายกันแต่ว่าการแสดงออกทางกายเนี่ยมันออกมาจากใจใจสั่งซะก่อนจะให้สั่งใจให้สั่งให้ทำอะไรให้เตะใช้เตะขวาชกหน้าชกหลังทำอะไรทำได้ทั้งหมดเพราะใจสั่งสั่งพร้อมที่จะมันจะเป็นไปได้การฝึกของของกายนี่แหละ จากนั้นมาใจเมื่อเราได้ภาวนาเห็นอย่างนั้นแล้วเถอะมันผ่านความสงบแล้วเถอะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านว่าพ่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านว่าให้สอนให้เดินวิปัสสนาแล้วเถอะอันนั้นคือสงบเฉยนะอันนั้นเรียกว่าสมถะนะต้องเดินวิปัสสนาจึงจะแก้กิเลสภายในใจของเราได้นี่แหละจากนั้นข้าพเจ้ภาวนากําหนดดูร่างกายอย่างที่พวกเราได้สวดเมื่อกี้เนี่ย อายังโคเมกายโยกายของเรานี่แหลอุดทางปลายทัตราเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโถกเกสามัตรกาเบื้องตามแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันต์โตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบจากนั้นเข้าไปในแยกแยะส่วนร่างกายของเราเกสาผมโลมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกแยกเข้าไปถึงตับถึง หัวใจถึงลำไส้ถึงอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายถ้าเรามาแยกส่วนแบ่งส่วนดูแล้วเนะ่ร่างกายของเราเนะี่ยอีกสักวันหนึ่งนะแตกตายสลายแน่นะตายแน่นะไม่เป็นอย่างอื่นนะใจนะ <c oughs> ใจที่ผ่านความสงบมาแล้วเห็นเลยนะเห็นเห็นร่างกายเลยเร่างกายของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งอื่นแล้วจะเป็นของเราได้ยังไงใช่ไหมใจ ใจสอนใจอะไรสนะใจรู้ใจลอะไรสินอใจแนะนําใจอะไสินะเออคือคล้ายๆว่ามีสติอยู่ในตัวเองร่างกายนี่มันไม่ใช่ตัวของเราเนาะใจนะอีกสักวันหนึ่งนะไม่รอวันไหนละเอ่อมันจะต้องจากเราแน่ๆนะใจนะเอ่ออย่างที่หลวงพ่อบอกว่าตายแล้วไม่สูตรนะตายแล้วเกิดเน่ะใจตรงนั้นน่ะจะออกจากร่างในเมื่อมันมาพิจารณาร่างกายหัวเห็นร่างกายแล้วนะเอเห็นดูดูให้ดีนะใจนะ ดูให้ดูร่างกายให้ดีนะเออมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะมันแก่นะมันเจ็บนะมันตายนะอพอมันตายไปแล้วเนะี่ยมันสลายลงสู่ดินน้าไฟลมไปเผาหเห็นแต่กระดูกนะใจของเราออกไปขนาดร่างกายมันยังไม่ใช่ตัวตนของเราส่วนอื่นละ่ะ เ, เงินคําทรัพ์สมบัติเลือกสวนไรนาพี่น้องพ่อแม่ปู่ยา่าตา ย, ยายญาติมิตรสหายจะเป็นของเราได้อยู่หรอ นะร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราณนะใจนะอันนี้มันเป็นภาษาของใจภาษาของธรรมนะเป็นการภาษาพิจารณาเรื่งางวิปัชนาอันนี้พอถอนกิเลสภายในจิตในใจของพวกเราอันนี้ก็คือนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธะท่านให้พิจารณาอย่างนี้นะะกนัทตาญาติโยมลูกหลานแต่ถึงยังไงก็ตามในเพื่อพิจารณาอย่างนี้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงก็เป็นธรรมในใจ รู้แจ้งเห็นจริงในใจถอดถอนกิเลสภายในจิตใจแต่ถึงอย่า ง, างไรข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องวางตัวให้ถูกต้องเราอยู่ในสถานะไหนเมื่อออกมาแล้วก็แลาก็ทำตนให้ถูกต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าถ้าเมื่อเมื่อท่านเห็นอนันตจังทุกขังอนัตตามไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วท่านเบื่อหน่ายท่านก็คงจะไม่มีพระพุทธศาสนาสอนแต่นี่ท่านก็อันนั้นคือส่วนหนึ่งรู้แจ้งเห็นจริงนันคือส่วนหนึ่ง ภายในใจเป็นภาษาใจเป็นรู้เรื่องของใจของท่านพระฒนยของท่านรู้แจ้งเห็นจริงเห็นจริงอย่างนั้นจริงๆจนเกิดความเบื่อหน่ายคลายจนหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่ทีนี้เมื่อพ้นจากกิเลสแล้วนั้นท่านก็มาดูร่างกายเอจะสอนยังไงจะปฏิบัติตนยังไงจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเป็นธรรมเป็นวิในเนี่ยอันนี้ก็ท่านก็มาวาง ตัววางศาสนาละทีนี้นี่แหละไม่ใช่ว่ารู้ทมเห็นทมแล้วก็ปล่อยประละเล ย, เยไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ทิ้งหมดไม่ใช่นะอันนั้นเป็นว่ากิเลสเองคลายๆาไม่รู้จักกาละไม่สุการเวลากากละเทศการวางตัวอีกนัดอีกส่วนนึงอย่างหลวงพ่อเคยพูดให้กับคณะสัตายาดยมไปรู้กี่ครั้งหลวงพ่อว่านี่นะเมื่อ หลวงพ่ออินภาวนาเข้าไปอย่างนี้แหละอย่างศรัทธาญาติโยมมามากต่อมากวันนี้ละงานคู่คนก็ามาเกี่ยวข้องหลวงพ่อก็โอ้เนี่ยศรัทธาญาติโยมเขามาเกี่ยวข้องเราปฏิบัติอย่างไงต้อนรับขับสู้อย่างไงอบริหารจัดการอย่างไรหลวงพ่อก็ทําหน้าที่อคนนั้นมาเอาไปต้อนรับเอาคนนี้มาพูดอย่างไรอันนี้แสดงเอ ตอนรับขับสู้อย่างไรแต่ละแต่ละแนวทางสำหรับพระในวัดเป็นยังไงลูกน้องบริวารยังไงสั่งสอนยังไงแนะนำยังไงให้ตอนรับรับสู้ยังไงให้ภาวนาอย่างไรหลวงพ่อก็แนะนาสั่งสอนแต่พอหลวงพ่อไปนั่งภาวนาตามลำพังเลยทีพอหลวงพ่อนั่งคัดสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าออกจิตใจนิ่งสบายหลวงพ่อเขาปล่อยวางเอ้ยหลวงพ่ออีนเนย ที่ทำมาทุกอย่างนั่นเราทำเพื่อบริหารจัดการแต่มันไม่ใช่ของเราเนออีกสักวันหนึ่งทิ้งทั้งหมดร่างกายก็ทิ้งวัดวาศาสนาศาล า, าอะไรทิ้งทั้งหมดพี่น้องประชาชนเราอยู่ตามลำพังไปตามลำพัง เ, เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทั้งหมดปล่อยวางทั้งหมดนะหลวงพ่ออินนะ อย่าเป็นรุ่มลหลวงมัวเมานะเนี่ยแหละหลวงพ่ออินหลวงพ่อสอนหลวงพ่อนะปล่อยวางให้หัดปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่พอออกจากสมาธิแล้วการรู้จุดนั้นรู้ตามความเป็นจริงจริงหมจริงเคดมามอะไรก็จริงจะไปเอาได้ยังไงแต่เมื่อออกมาแล้วก็บริหารจัดการตามหน้าที่พอวินัยของพุทธะเป็นยังไง เราเป็นสากยบุตรบุตรของพระพทุทธเจ้าพระุทธเจ้าสั่งสอนแนะนําอย่างไรเราก็ปฏิบัติตามโลกสมมุติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยตามตามหลักธรรมคําสอนของพระพอทุทธเจ้าตามกติกาของกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมของบ้านเมืองกฎของบ้านเมืองเป็นยังไงปฏิบัติอ ย, ย่างโนอย่างไงจึ ง, จ, งจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมเราก็าวางตัวให้ถูกต้องแต่ส่วนใจจริ ง, รงๆเมื่อเราภาวนาของเราน เราปล่อยวางอย่างไรนี่แหละอยากจะให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่นะเออพวกเราท่านทั้งหลายคิดดูซิฮ้เป็นยังไงถูกต้องไหมเป็นธรรมไหมนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไม่ได้อยู่ในที่อื่นที่ไกลนะคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานมันอยู่ในใจทั้งหมดนะเออมันปล่อยวางรู้แจง้งเห็นจริงอยู่ในใจไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจเออปล่อยวางที่ใจ หุดพ้นที่ใจกิเลสมันอยู่ที่ใจท ร, ร ม, มันอยู่ที่ใจอยู่ที่แห่งเดียวกันเหมือนกับความโง่ความฉลาดนะั่นแะเมื่อความฉลาดขึ้นมาความโง่ก็ตกไปเมื่อตะกอนเราไม่รู้หนังสือแต่พอเราเรียนหนังสือจบแล้วความไม่รู้มันก็ตกไปมันตกไปเองนี่ค็เหมือนกันเมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงแล้วกิเลสราคะโทสะมันก็ลุดออกไปเองรู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่าย แล้วจะไปยึดมั่นถือมั่นทำอะไรนี่แหละนวินิพนันนางปรมังสุญอย่างนิพนันนงประมังสุขขังศูนย์อะไรศูนย์เชื้อเชื้อที่จะทำให้เกิดมันศูนย์หายไปเลยมีแต่ความสุขอยู่ในจิตในใจเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณะสาัายาธิโยมลูกหลานทุกคนในพรรษาในฐาหากว่าพวกเราจะเอาอันไหนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจนะเออ อย่างข้าพเจ้า er ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวันวันละ30นาทีวันละหนึ่งชั่วโมงข้าพเจ้าจะรักษาศีลแปดทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าทุกวันพระข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าตรตรมาศสามเดือนข้าพเจ้าจะรักษาศีลนโมสดตรตรมาสามเดือนอย่างนี้แหละ ให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งจิตอธิษฐานต่อหน้าพระประธานหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่บัดนี้แหละก่อนที่จะลงศาลาก็ตั้งจิตอธิษฐานข้าพ เ, เจ้าตั้งจิตอธิษฐานต่อพระหน้าพระประธานข้าพ เ, เจ้าจะทำอย่างนี้ในพรรษานี้ในเมื่อออกพรรษาแล้วนะเราจะค่อยมากราบพรขอพรพระประธานผู้ฆ่าได้ปฏิบัต ด้วยสั จ, จวาจาของข้าพเจ้าได้ว่ายพระทุกวันได้นั่งสมาธิภาวนาทุกวันครบสามเดือนแล้วด้วยบุญบารมีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทําไว้ดีแล้วนี้ขอให้เป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนจิตใจของข้าพเจ้าขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมประราศฐาสิ่งใดขอให้สมหวังดังปรารถนาด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพน ได้ตงค่อยขอพอรจากท่านหลวงพ่อว่าจะเป็นสริริเป็นมงคลสำหรับพวกเรานะแต่ถ้าว่าพวกเราเไม่ได้ทำอะไรไมิถึงมาขอพอรอต้องทำซะก่อนปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบซะก่อนจึงขอพอรประสาทพระธรรมจึงประสาทประสิทธิประสาทพรให้กับพวกเราเข้าสู่จิตใจของพวกเราเปถึงความสุขความเจริญ ทําพวกเราทําได้แล้วนะใจเย็นใจสบายนะคณะสาสญญัาตยาธิโจมลูกหลานทุกคนนะอทดลองดูก็ได้พรรษาเนี่อในพรรษาเนี่ ย, ยทดลองดูที่หลวงพ่อพูดหลวงพ่อเคยทํามาแล้วหลวงพ่อพอจบแล้วนะใจของเราสบายมีความสุขถึงทําหลายไปผ่านไปแล้วจใจของเราก็ยังมีความสุขอยู่นะั่นแหละความสุขมันไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจของพวกเรานะถึงจะทุกขจนยังไงก็ตาม ภายนอกถึงจะทุทกข์จนแต่ว่าใจของเราเนี่ยมีเหตุมีผลใจมีความสุขก็น่าจะเพียงพอนะอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านจะมีอะไรท่านมีอัตถบริขารแปดเท่า น, นั้นนะท่านอยู่ด้วยความเป็นสุขของท่านสุขด้วยความพอของท่านท่านไปนสถานที่ใดใจของท่านไม่คิดโลภไม่คิดโกรธไม่คิตรงฆ์ไม่มีราคะโทสะโมหนันจิตใจของท่านมีแต่ความสุขแต่ว่าสุขหนอสุขหนอ่อ ไปณนะสถานที่ใดกันบดว่าสุกหนอแต่คนทั้งหลายก็คิดว่าท่านพระมหากบินคิดถึงครอบถึงครัวถึงสมัยเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพอ้อไปพระองค์ก็เรียกมาถามเป็นไงมหากบินมหากบินบอกโอ้สมัยก่อนข้าพระองค์เป็นค า, ารวะรับภาระทุรนี่มากมายมีแต่ความทุกข์รัฐมมีแต่ความทุกข์กิเลส ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวไหนเข้ามายุ่งเหยิงพุ่นวายแต่บัดรนี้ข้าพระองค์ปล่อยวางมันหมดแล้วเออไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางมดข้าพระองค์มีความสุขจริงๆฮะเออนี่ยก็เลยไปที่ไหนก็ว่าสุขหนอสุขหนอสุขหนอมันคือความสุขในจิตในใจฮะนี่แหละถ้าบอกพวกเราปฏิบัติถูกต้องแล้วจะมีความสุขในจิตในใจนะถ้าไมถ้าปฏิบัติไม่ถูกจะทุกข์นะเออมันมีแต่เรื่องมานลุมมาตุ่มเฮมีแต่เรื่อง เออิอยเหงาเศร้าซึมในจิตในใจว่าเวอ้างวางเงียบเหงาอีกต่างหากนะเพราะอะไเพราะเราทําไม่ถูกนะถ้าเราทําถูกแล้วหม่แหละรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องรู้เรารู้เขารู้เรารู้เรื่องของกิเลสรู้เรื่องของธรรม เ, เราวางตัวยังไงเราปฏิบัติตนยังไงมันจึงจะถูกต้องเป็นธรรมถ้าว่าวางตัวแล้วมีแต่ความสุขนะกนัทตาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะ เอาการกล่าวสัมมโธนิยกถฐานเนี่ยวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุติเอาต่อนี้ไปเพื่อให้ครบสูตรในการามาปฏิบัติธรรมหลวงพ่อพูดจบลงไปแล้วก็ต่อไปกันนั่งปฏิบัตินะที่นี้นะกหนดลมหายใจเข้าออกอย่างที่หลวงพอ่อได้พูดได้กล่าวแล้วก็ให้พวกเราท่านทั้งหลาย เ, าเมื่อนั่งคัดสมาธิแล้วถ้า ภาวนาพุทโธพุทโธมันเผลอมันทะเลาะทลมันทะเลาะอะไรมันช่วงไหนวะอ่ามันไปช่วงไหนวะที่มันหลงน่ะนับดูซินหยหลวงพ่อให้นับนะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับไปถึงร้อยพอนับไปถึงร้อยไม่เผลอใช้ได้แต่ถ้ามันเผลอมันเผลอช่วงไหนถ้านับไปถึงสิบแลมันเผลอมันเผลอยังไงมันเผลอหายใจเข้านะ เป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ขี้คู่กี้คู่ขี้คู่แต่พอมันเผลอเขามัน a, คู่ข oe, ี่นะเท่นี่เออมันคู่ขี้เอามันเผลอแล้วแต่มันไม่ใช่เนี่ยสมมุติว่าหายใจเข้าเนี่ยสิบห้าหายใจออกเป็นสิบหกหายใจออกเป็นสิบหายใจเข้าเป็นสิบเจ็ดหายใจออกเป็นสนะิบแปดเนี่ยมันมันมัน Lily, ขี้คู่นะแต่พอมันเผลอเข้าไปเท่นี่ หายใจเข้าเป็นสิบปดหายใจออกเป็นสิบเก้นะมันมันเผลอแล้วออไม่ได้ต้องกลับมานับหนึ่งใหมอ่อนะีกทดลองหนสิเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเออเราเนี่ยมันเผล่บ่อยสติของเราเนะี่ยมันไม่ดีลนะนาเราควรจะตั้งสติให้ดีขึ้นกว่านี้นะนะนี่แหละมีความมุ่งมั่นความตั้งใจต่อไปเนะี่ยเราก็ตั้งสติขึ้นมาดีอันไซเมอร์ไม่มาตามไม่ตามหาเรานะนะ เพราะเรามีสติดีอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะจัทธาญาติโยมลูกหลานทุกทุกทันนะเอาภาวนาเอาตอนนี้ไปดับไฟได้นะที่นี้นะเอาไว้แต่รอบๆอบนอกก็ได้เอานั่งคัมาที่นะ